ชีวิตในเมืองกับชีวิตในชนบทชีวิตในโลกมนุษย์มีความต้องการอยู่อย่างน้อยสองประการซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความต้องการพักผ่อนและความต้องการอาหารการที่จะให้ชีวิตในโลกมนุษย์ดำรงอยู่สืบต่อไปได้ก็ต้องหาทางสนองความต้องการของร่างกายดังกล่าวแล้วให้ได้เสก่อนแต่ในโลกทิพ ท่านก็ยอมทราบอยู่แล้วว่าเราไม่มีความจำเป็นสองประการนั่นเลยดังนั้นชาวโลกมนุษย์จึงต้องมีการกินอาหารกับการพักผ่อนสลับกันไปเป็นระยะระยะและนอกจากนั้นยังมีกลางวันกลางคืนสลับกันอีกด้วยถึงแม้ว่าท่านจะสามารถสร้างให้มีแสงสว่างในยามค่าคืนได้ในที่บางแห่งก็ตามแต่ความมืดก็ยังปกคลุมอยู่ในที่แห่งอื่นๆได้อยู่นั่นเอง แต่ในโลกทิพย์ท่านก็ยอมทราบอยู่แล้วว่าในภูมิสุขตินั้นไม่มีความมืดเลยความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราจึงดำเนินไปภายใต้แสงสว่างตลอดการเราไม่ต้องพักผ่อนด้วยการหลับนอนเราทำงานเรื่อยไปจนกระทั่งรู้สึกว่าอยากจะหยุดก็หยุดได้ทันทีต่อจากนั้นเราจะเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นหรือไปหาความสนุกสนานรื่นเตามใจชอบก็ได้ เสร็จแล้วท่านนึกอยากจะทำงานต่อก็กลับมาทำต่อไปได้อีกสภาวะเหล่านี้ท่านจะนึกฝันไม่ได้เลยว่าจะมีขึ้นในโลกมนุษย์เพราะมันก็มีไม่ได้จริงๆดังนั้นท่านก็ไม่มีทางอื่นใดที่จะมองให้เห็นจริงได้นอกจากต้องนึกวาดภาพเอาเองในใจจากการบรรยายของข้าพเจ้าและด้ดยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนี่เอง การที่เราจะมีชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่หรือชนบทนั้นจึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างใดเลยในโลกทิพย์เมืองในโลกมนุษย์ส่วนมากมีผู้คนมาอยู่กันอย่างคับคั่งก็โดยเหตุผลเพื่อความสะดวกทางการค้าขายเป็นส่วนใหญ่แต่ในโลกทิพย์ไม่มีการค้าขายฉะนั้นลักษณะของเมืองที่จะตั้งขึ้นจากมูลฐานดังกล่าวนั้นก็เป็นอันหมดความหมายไป จะมีอยู่ก็เพียงเพื่อความประสงค์ที่ว่าเราต้องการจะรวมอาคารสำหรับการศึกษาวิชาการขแขนงต่างๆมาไว้ให้อยู่ใกล้ๆกันสักหน่อยเท่านั้นแต่อันที่จริงถึงจะแยกกันอยู่ในระยะห่างออกไปก็คงไม่ทำให้เกิดความแตกต่างเกี่ยวกับความสะดวกในการเดินทางไปมาแต่อย่างใดเพราะเราสามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยเวลาเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง เท่าที่เราต้องการให้อาคารเหล่านั้นมาอยู่รวมกันหรือใกล้เคียงกันก็คิดว่ามันอาจจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นโดวยวางแผนซะก่อนให้มีระยะตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรเท่านั้นเองหาได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากนี้ไหมอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นมาแล้วนับจนวนปีไม่ได้ว่าเท่าใดเรียกว่าคงจะเป็นเวลานา น, านแสนานานเลิเกินทั้งหมดมีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โตมาก แต่ละอาคารก็มีบริเวณล้อมรอบและบริเวณเหล่านั้นก็มีการตกแต่งด้วยสวนดอกไม้นาน า, น า, นานชนิดที่มองดูไม่รู้จักเบื่อในตาเลยในใจกลางของอาคารเหล่านี้ก็คือโบสถ์ซึ่งมีความโอหัวลานยังไม่มีที่อื่นใดเทียมเลยโบสถ์นี้เป็นศูนย์กลางของตัวเมืองของเราส่วนอาคารต่างๆก็ตั้งตระงานเรียงแยกออกจากโบสถ์นี้ไปในทิศทางต่างๆกันโดยรอบ สำหรับถนนหนทางเราก็ไม่ได้มีไว้อย่างชนิดที่ชาวโลกมนุษย์ต้องการและจําเป็นต้องมีถนนของเราเป็นทางเดินกว้างขวางประดับด้วยหญ้าอันอ่อนนุ่มมีไว้สําหรับเดินเท่านั้นเองเนื่องจากในโลกทิพย์ไม่มียอดยานพ า, าหนะใดๆดดังเช่นในโลกมนุษย์จึงไม่ต้องมีทางเท้าเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนนแต่อย่างใดบางครั้งก็มีบ้างเหมือนกันที่ทางเดินเหล่านี้ปูลาดด้วยหิน ซึ่งมีลักษณะพิเศษของภูมินี้จริงๆแต่โดยมากเรานิยมทางเดือนที่ปู่ลาวที่ยากันเสียมากกว่าสำหรับในชนบทก็ไม่มีรั้วกำแพงหรือเค ร, ร, รื่องกั้นเครื่องกีดขวางเพื่อป้องกันการรุกล้ำสิทธิอย่างใดดังนั้นทัศนียภาพในชนบทจึงเป็นพื้นดินอันกว้างใหญ่มหาศาลติดต่อเป็นพื้นเดียวกันมีลักษณะเป็นเหมือนวัณุทยานอันมหึมา ประกอบด้วยฐานน้ำใสไหลยเย็นมีกระแสไหลเอื่อยเป็นลําน้ําที่ไหลซ้อคดเคี้ยวเลี้ยวลอะไปมาแท่ตัวอยู่ในระหว่างละมาะไม้ใบหนาอันจะเห็นเป็นแนวยาวเหยียดไปจนขอบฟ้าช้าช้านานจะมีที่อยู่อันน่ารักของชาวโลกทิพย์โผล่หลังคาออกมาให้เห็นจากสมทุมปุ่มไม้อันเคี้ยวชะอุ่มความจริงดังกล่าวมานี้ทําให้เป็นการยากที่จะพูดได้ว่าอนณาเขตของเมืองสิ้นสุดลงที่ใด และอาณาเขตของชนบทเริ่มต้นที่ไหนกันแน่แต่เรื่องเช่นนี้ก็ไม่เป็นเรื่องที่ก่อความยุ่งยากอย่างใดเลยเพราะไม่มีการต้องมานั่งคำนึงถึงส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลไม่ต้องคิดถึงเขตวัดหรือเขตบ้านไม่ต้องคิดถึงเข ต, เข ต, น ต, เขตในตัวเมืองหรือเขตชานเมืองหรือเขตนอกเมืองเพื่อจะได้เรียกร้องสิทธิอย่าังน้อนอย่างนี้เพื่อจะให้ได้เปรียบผู้อื่นด้วยประการต่างๆเป็นอันว่า เมืองก็คือส่วนหนึ่งของชนบทและชนบทก็คือส่วนหนึ่งของเมืองชีวิตของคนในเมืองก็คือชีวิตของคนในชนบทและชีวิตของคนในชนบทก็คือชีวิตของคนในเมืองเป็นอยู่ของเราทั้งหมดเนื่องถึงกันตลอดการแล้วเราก็มีแต่กลางวันอันสว่างสวัยตลอดการมีฤ ด, ดูร้อนคืออากาศปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดการอากาศในเมืองจึงไม่อึดอัดหรือสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล เช่นเมืองในโลกมนุษย์ผลของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือเมืองหรือชนบทของโลกทิพย์ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองข้าพเจ้าเคยได้เกริ่นให้ทราบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าจะกล่าวถึงเรื่องของความคิดดังนั้นต่อไปนี้เราจะได้ลองมาพิจารณาเรื่องนี้กันดูพอสมควรในบทต่อไป คำอธิบายเพิ่มเติมโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่17จากประโยคที่ว่าในโลกที่ไม่มีการค้าขายนั้นในติโรกุทธสูตรซึ่งเป็นพุทธพจน์เด้กล่าไว้ว่าในโลกของโอปปาติกะไม่มีการค้าขายไม่มีการซื้อขายกันด้วยเงินบาลีว่าวันิชาตาทิสีนัตถิอิรันเยนะ ก ย, กยงซึ่งข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกคลิปตอนนี้ก็ได้มาตรงกับหลักในพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมานี้ยังน่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าหมายเหตุข้อนี้ไว้ก็เพื่อต้องการที่จะให้ท่านผู้อา่านได้เกิดความรู้สึกว่าเรื่องของความจริงนั้นไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนย่อมจะเหมือนกันหมด หมายเหตุข้อที่18จากประโยคที่ว่าถนนหนทางในโลกทิพย์ไม่ได้มีไว้ใช่อย่างโลกมนุษย์ในเรื่องนี้โดยธรรมดาบุคคลในโลกทิพย์จะไปไหนมาไหนมีวิธีอยู่สประการคือหนึ่งเดินไปหรือวิ่งไปหรือจะคลานไปก็สุดแล้วแต่อันนี้เหมือนกับในโลกมนุษย์ 2. อเหาะไป หมายความว่าพวกนี้สามารถทำให้ตัวลอยไปในอากาศได้ซึ่งจะให้ห่อไปอย่างเช้าหรือเร็วหรือว่าจะให้ลอยอยู่ตามก้อนเมฆก็าสามารถที่จะทำได้ 3. หายตัวไปหมายความว่าพวกนี้เมื่อจะไปไหนก็กาหนดสถานที่ที่จะไปไว้ในใจแล้วก็อธิษฐานจิตที่จะให้ไปถึงที่นั้น ครั้นแล้วรูปร่างก็จะหายวับไปปรากฏในที่นั้นทันทีการไปไหนมาไหนทั้งสามวิธีนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในโลกของโอปะปะติกะสำหรับข้อที่หนึ่งเดินไปหรือวิ่งไปทุกคนทําได้ตามความเคยชินอย่างที่เคยมีอยู่ในโลกมนุษย์ส่วนข้อที่สองเหาะไปพวกโอปะปะติกะบางประเภทเท่านั้นที่ทําได้ พวกภูมิเทวดาและพวกอบายภูมิส่วนมากทำไม่ได้เพราะโดยธรรมดาคนที่สามารถจะห่อได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีอานาจบังคับจิตของตนเองได้ดีพอสมควรหรือพูดอีกในยะหนึ่งคือต้องเป็นคนมีบุญเพียงพอคนที่บังคับใจตนเองไม่ได้เลยชอบทำอะไรตามอารมณ์หรือทำตามสัญชตาตญาณจะไม่สามารถห่ะได้ พวกอบายภูมิบางประเภทเช่นพญานาคและพวกอสูรซึ่งเมื่อชาติก่อนเคยเกิดเป็นคนและได้เคยทำความดีไว้มากแต่ในขณะที่จะตายวิบากของอกุศลให้ผลจึงต้องมาเกิดในอบายภูมินั้นพวกนี้สามารถเหาะได้แต่ไกลจะเหาะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างไรนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าทุกคนจะทาได้เหมือนกันหมด และข้อที่สมก็เหมือนกันใครจะหายตัวไปปรากฏที่ไหนจะไปได้ไกลหรือไม่ไกลก็ขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีของตนเองเหมือนกันและสำหรับข้อนี้พวกโอปปาติกาเกือบทุกประเภททำได้เราเหตุที่พวกโอปปาติกาทั้งหลายสามารถไปไหนมาไหนได้สามวิธีเช่นนี้ยวดยานพาหะใดๆจึงไม่มีความจำเป็น แต่อย่างไรก็ดีเทาที่ข้าพเจ้าเคยทราบมานั้นในภูมิของโอปปาติกะชั้นต่ำซึ่งอยู่ในภูมิเดียวกันกันกบโลกมนุษย์นั้นยวดยานพา ห, าหนานต่างๆก็มีเหมือนกันหมายเหตุผู้อ่านสำหรับในเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าไว้ในหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายลุงปู่มั่นซึ่งเล่าไว้ถึงเทวดาจาพวกหนึ่ง ที่อยู่ในภูมิใกล้ชิดกับมนุษย์และอยู่ซ้อนกันกันกบโลกมนุษย์ก็มีการใช้ชีวิตปกติและมีการย้ายถิ่นฐานหอบข้าวของคนไปด้วยยานพาหนะเช่นเดียวกันนะครับจึงต้องขอย้ําเสมอนะครับว่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาหรือพูดผีวิญญาณต่างๆนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งแง่หนึ่งมุมหนึ่งหรือพบภูมิหนึ่งในสภาพหนึ่งๆเท่านั้น ท่ามกลางความหลากหลายของพบภูมิที่แยกละเอียดได้ต่างกันไปอีกมากมายนะครับเมื่อฟังเรื่องเล่าพวกนี้ก็ไม่ควรรีบเชื่อว่า น, นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงทั้งหมดในโลกหลังความตาย